That's r i g h เพว่า ตอนนี้บ่าย 2, นาทีเกือบ20นาทีหลวงพ่อก็ออกจากวัดมาตั้งแต่เช้ามืดนะจากอดอนมานี้ทำเวลาได้เร็วที่สุดขนาดนี้แหละเมื่อเช้านี่ก็มาฉันยังหัน10โมง40นาทีได้ฉันยังหันที่นี่ สิบเดนาฬิกาสิบห้านาทีฉันเสร็จเข้าไปที่กุฏิพักผ่อนรอเวลารอเวลานี้แต่ถ้าเผื่อเราได้มาในเช้าตอนช่วงเช้าเราก็จะได้ขึ้นแต่มาคราวนี้เราไม่ได้ขึ้นเพราะเวลามันไม่ทันแต่ก็ถือว่าเป็นการเสียสละแล้วก็รวบรัดพยายามมาให้ทัน <c oughs> ก็ทันได้แค่นี้ขนาดนี้พวกเราก็ไม่เสียเปล่า พวกเราอยู่ธรรมบริกรท่านก็พาทำตามขั้นตอนพูดคุยแนะนําระเบียบพาตั้งสัตว์อธิษฐานจำได้ไหมตั้งสัตว่าไงอธิษฐานว่าไงแล้วพยายามถือตามคำสัตว์นั้นๆ น, น, นะคำสัตว์เนี่ยสคัญที่สุดคำสัตว์ถือว่าเป็นกรอบที่เราตั้งไว้ หลังจากเราตั้งเอาไว้แล้วมันเป็นการกรีดกันทำกรอบขอบเขตให้กับจิตใจของเราไม่ให้จิตใจของเราเนี่ยออกนอกรูนอกทางให้อยู่ในกรอบกรอบคืออะไรกรอบคือที่เราตั้งสัจจานี่แหละตั้งใจปฏิบัติเพื่อได้ให้ได้อัดได้ทำไม่จาเป็นก็ไม่พูดไม่คุยมีความจาเป็นถามธรรมบริกรถามครูบาอาจารย์ได้อ่า ไม่ใช่ว่าไม่ให้ถามให้ถามได้ให้คุยได้แต่ว่าไม่จำเป็นทุกคนต่างรู้หน้าที่ว่าจะทำอะไรจะเดินก็เดินจะหยุดก็หยุดจะกลับก็กลับจะพักผ่อนก็พักผ่อนเราไม่ต้องคุยกันให้พยายามกำหนดหมายงานข้างในเกิดประโยชน์ที่สุดนี่ถือว่าทุกคนเสียสละเวลาเสียสละโอกาส <c oughs> คนเรานั้นเกิดมาเราเกิดมาในอัตภาพแต่ละอัถภาพแต่ละอัตภา พ, ภาพเราจะเด่นหรือเราจะด้อยขึ้นอยู่กับการฝึกฝนอบรมอบรมขั้นไหนระดับไหนเราก็ดูเถอะเหมือนอย่างที่เราไปอบรมเพื่อศึกษานั่นตั้งแต่ระดับปถมมัธยม อ, อุ ด, ดมะระดับด็อกเตอร์กี่ด็อกเตอร์นั่น ค, คือการอบรมท่านเรียกว่าศึกษาอบรมการฝึกฝนอบรมนี่แหละ ทำให้เราไม่ไม่อยู่เท่าเดิมเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปาจากตำ่ำเป็นสูงคือสูงในใจจากตำ่ำใจจิตใจตำ่ำจิตใจของคนเราถ้าปล่อยให้ต่าต่าซามเลยนะต่ำซามต่ำลามกต่ำช่วยช้าลามกต่ำซามถ้าเราปล่อยนเป็นยังน้นจริง ถ้ า, าเราไม่ฝึกฝนอบรมเนี่ยจิตใจของเราก็ตกต่ําแต่ถ้ า, าเราตั้งใจฝึกฝนอบรมถือว่าเป็นการให้โอกาสกับตัวเองจากหยาบก็กลายเป็นละเอียดได้จากไม่เคยสํารวจ ร, ระวังเราก็ามาสํารวจ ร, ระวังได้ข้อสําคัญที่เราเข้ามาฝึกฝนอบรมตรงนี้ตรงนี้เป็นวัชรธรรมสถานเป็นสถานปฏิบัติธรรมนะ นั่งภาวนานั่งฟังไปด้วยนั่งภาวนาไปด้วยให้เข้าที่นั่งภาวนาเลยะจะนั่งขัดสมาจะนั่งอะไรก็แล้วแต่ให้นั่งภาวนาไปเลยแล้วก็นั่งฟังระบายหูเราไม่ดับหูเราได้ยินแต่ในขณะเดียวกันเราก็ดำรงสติมั่นคงแล้วก็บริกรรมภาวนาการตั้งใจบริกรรมภาวนานี่เป็นหัวใจของงานที่เราเข้ามาอบรม เพียงแต่เราเข้าไปอบรมจริยธรรมต่างๆเหมือนอย่างที่เราเห็นเขาอบรมจริยธรรมที่นู่นจริยธรรมที่นี่มันเป็นการไม่อย่างลึกเข้าไปถึงหัวใจก้นบึ้งของหัวใจแท้ๆของเราคืออะไรเป็นไรเราไม่เคยย่อนจิตของเราสติปัญญาของเราหย่อนไปถึง <S <S เพราะฉะนั้นเราจะปรับปรุงแก้ไขอะไรให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ดีขึ้นไม่ได้ขยับขึ้นไม่ได้เด่นขึ้นไม่ได้สูงขึ้นไม่ได้ละเอียดขึ้นไม่ได้ประณีตขึ้นไม่ได้ ทำให้จิตใจสว่างสวัยปลอดโปร่งทำให้จิตใจสงบระงับดับจากสิ่งชั่วช้าราเมอเหนื่อยใจของเราดับไม่ได้หากมีได้เป็นได้ด้วยการตั้งใจฝึกฝนอบรมนี่สำคัญที่สุดคนเราถ้าหากไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมแล้วก็จะต่ํารามจะสูงจะเด่นจะดีได้ด้วยการตั้งตั้งอกตั้งใจฝึกฝนอบร ม, มเป็นการปรับเป็นการปรับ ความสามารถปรับคุณธรรมปรับทิฏฐิจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเพราะฉะนั้นการที่เราตั้งอกตั้งใจมาคราวนี้ถือว่าเป็นการเสียสละมองเห็นประโยชน์ส่วนตนประโยชน์ส่วนตนนี้เมื่อเราดูดซึมซับจนกลายเป็นว่ามีคุณสมบัติประจําหัวใจของเราแล้วคนที่เกี่ยวข้องกับเราก็พอได้ประโยชน์ด้วย คนที่เกี่ยวเนื่องกับเราก็พลอยได้ประโยชน์ด้วยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นเต้าเป็นสามีเป็นภรรยาพลอยได้รับประโยชน์หมดเพราะคนเรานั้นสำคัญที่ว่าเป็นคนดีคนเราต้องเป็นคนดีเราสรุปมาดูที่ตัวของตัวเราเราตั้งใจฝึกฝนอบรมเพื่อให้เป็นคนดี คนดีก่อนที่เราจะไปพัฒนาก้าวหน้าไปถึงขั้นตอนของความเป็นคนดีมันต้องอยู่ในกรอบก็เหมือนอย่างที่เราเข้ามาอยู่นี่แหละเราเข้ามาแล้วมันก็มีกรอบทำให้เราอยู่มีระเบียบมีข้อปฏิบัติมีเวลาแล้วก็พาจัดพาทำพาสร้างสร้างในหัวใจของเรานะเพื่อเพิ่มพูนคุณงามความดีเพิ่มคุณงามความดี ให้เราเข้าใจว่าความดีในในตัวคนคืออะไรดีความดีในตัวคนคืออะไรดีต้องกายดีวาจาดีใจดีเราสรุปมาอย่างนี้เรามีข้อยุติกายกรรมของเราต้องดีวิจิกรรมของเราต้องดีมโนกรรมคือใจของเราต้องดีไม่ใช่เราไปเที่ยวฝึกฝนอบรมที่นูน่นที่นี่ออกจากที่นี่ไปที่นูน่นออกจากที่นูน่นไปที่นี่ ฝนโอร ม, มานับครั้งไม่ถ้วนแต่เราไม่เคยมาเช็คมาสำรวจตรวจตราดูพฤติกรรมของตัวเองเลยนะบางคนไม่สามารถจะเอาฐานะของตอนเองไว้ได้ถึงขาวโกรธฉุนเฉียวเกรี้ยกล่าถึงข้าวโมโหท้อโศถึงขราวบิดเบี้ยวถึงขราวผิดคำมั่นสัญญาถึงอะไรแ ะ, ะรสามารถทำได้หมดลืมสรุปมาที่ความดีโอเราทำลายความดีของเราที่กายหรือเปล่าที่วายจหรือ่ กายกรรมของเราไม่ดีวายจาของเราไม่ดีกายดีวายจาดีก็คือกายมีบุญวายจามีบุญมาจากใจคือใจดีใจมีบุญเราสรุปมาอย่างนี้เราได้ข้อปฏิบัติมาที่กายํากับที่กายของเราไม่ห่างจากศีลจากธรรมมาที่วายจาของเราไม่ห่างจากศีลหากจากธรรมมาที่ใจของเราไม่ห่างจากศีลจากธรรมจากสติจากปัญญา จากสัมมาจากสัมมาสัมมาทิฏฐิจากสัมมาทิฏฐิความนึกความคิดความเห็นเป็นไปในทางที่ชอบอันนี้สำคัญที่สุดคือการปรับปรุงพัฒนาชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยดีเราตั้งอกตั้งใจมาเสียสละตรงนี้คราวนี้เป็นอีกคราวหนึ่งเป็นอีกวาระหนึ่งเป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราตั้งอกตั้งใจมาเสียสละบางท่านก็เคยฝึก อบรมที่นู่นที่นี่บางคนก็เคยผ่านตรงนี้หลายรอบบางท่านก็ยังไม่เคยเข้าที่นู่นที่นี่ก็เป็นการมาลองชิมดู อ, อ๋อเขาฝึกฝนอบรมเขาทำานี้เขามีานี้เป็นอย่างนี้แท้ที่จริงหัวใจของการอบรมที่สำคัญก็คือหัวใจของเราไม่พ้นที่จะทำให้เราตั้งใจภาวนาเพื่อสมถะเพื่อวิปัสสนาอันนี้สำคัญที่สุด นอกจากนั้นก็เป็นระเบียบเป็นระเบียบเป็นจริยธรรมเป็นแนวทางเป็นอุบายเป็นวิธีที่ทำให้เราได้ยินได้ฟังได้ตั้งใจนั่งภาวนาแล้วก็ฝึกขัดเราอบรมฝึกฝนตนเองไปในขณะเดียวกันนี่คือการได้เข้ามาอบการเข้ามารมต้องอาศัยความอดต้องอาศัยความทนต้องอาศัยความเสียสละ อดทนขนาดไหนอดทนให้อยู่ในกรอบอดทนให้อยู่ในอารมณ์เหมือนอย่างเราต้องการให้ใจของเราเป็นหนึ่งอยู่กับอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของของธรรมะที่ทำให้ใจของเราได้รับความสงบเราพยายามอาศัยความอดความทนนี่แหละอือาศัยความภาคความเพียรมาประคองความอดความทนอาศัยความอดความทนมาประคองความภาคความเพียรประคองอะไร ประคองสติกของเราประคองสัมผััญญาของเราประคองใจของเราทําให้เรามองเห็นใจเป็นจุดเด่นเรามาถึงตรงนี้แล้วเรามาถึงต้นต่อสาเหตุข้างในสาเหตุข้างในสาเหตุที่จะทําให้เกิดจริยธรรมทั่วๆไปก็คือกิริยาที่มาจากใจใช่หไหมใจนึกคิดอยู่ในนั้นน่ะนึกไปนึกมาคิดไปคิดมาก็ทะลักมาที่กาย นึกไปนึกมาคิดไปคิดมาทรักมาที่วายจาทะักมาที่กายท่านก็นให้รักษาสินกำกับทรักมาที่วายจาท่านก็นให้รักษาสินกำกับแน่มันมีกรอบทำให้เราได้กรอบกรอบอันนี้เป็นกรอบที่เราควรยืดมาถือเป็นเป็นหลักปฏิบัติประจำชีวิตกิตใจของเราเพราะการที่เราเข้ามาฝึกฝนอบรมในคราวครั้งนี้ถือว่าเป็นอนุสอ์ชีวิตของเราไม่ใช่เรื่องธรรมดา โดยเฉพาะเราอยู่คนเดียวเราทำอะไรตามใจชอบจะทำสักห้านาทีบางทีก็ไม่ถึงจะทำสิบสักสิบนาทีมาถึง3นนาทีสามนาทีก็งุนหิดแล้วแต่เรามาอยู่อย่างนี้เรามาอยู่อย่างมีระเบียบมีหมู่มีคณนะมีกลุม่มมีก้อนพาจัดพาทำกักเกณฑ์เป็นเวลาเวลาแล้วก็เข้าตามเวลาแล้วก็ออกตามเวลาแล้วก็ฟังคำอบรมตามเวลาแล้วเราก็นั่งตั้งใจภาวนาะตามเวลา ตั้งใจปดตั้งใจทนอดทนต่ออารมณ์ที่มันหงุดหงิดในหัวใจของเราอ่ามันยากมันยากมันลาบากมันทรมานเราก็ดูเอาไปสิอ่านั่งทุกนั่งยากนั่งลาบากนั่งเจ็บนั่งปวด บ, บังคับจะให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวมันอยู่ไม่ได้ง่ายๆแหละด้วยที่เราไม่ช่ำชองไม่ชำนิชนานาญฝึกฝนอบรมน้อยมันอยู่ไม่ง่ายแหละแต่ถ้าคนก็เคยฝึกฝนอบรมเป็นประจ ยัง่อย้อนมาย่อนมาในหัวใจของเราก็แนวได้รับความสงบได้รับความเชื่อมชื่นได้รับความเบิกบานแท้ที่จริงกิริยาทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นกิริยาที่ต้องต่อสู้เท่านั้นแหละการต่อสู้นั้นจะต้องใช้ความภาคความเพียรประคับประคองจะใช้จะต้องใช้ความอดความทนเป็นที่ตั้งจะต้องใช้อุบายคือปัญญาพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงทัน มันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเกิดความรู้เกิดความรอบรู้รอบรู้ทันกับอารมณ์ที่จะมึเกี่ยวข้องกับเราอันนี้สำคัญที่สุดทำไงเราจะทำให้ใจของเราได้รับความสงบใจของเรามันไม่ได้รับความสงบเพราะใจของเรามันมีสิ่งกวนสิ่งกวนใจสิ่งกวนใจตัวนี้แหลพะพอเวลามันกวนใจมาแล้วเนี่ยทำให้เรากระเทือนไปหมดกระเทือนทลักมาที่กาย ดีมาดีหักห้ามไม่ได้เอากายไปทํากายทุจริตไปแล้วไปฆ่าสัตว์ไปแล้ ว, ไ ป, ไ, ปลวไปลักทรัพย์ไปแล้วไปประพฤติผิดในกรรมไปแล้วไม่ทันมันรู้อำนาจให้กับมันเพราะกําลังสู้มันไม่ได้นึกไปนึกมาคิดไปคิดมากวนอยู่ในหัวใจของเราไม่มีความสงบสงัดมันกวนเราอยู่ข้างในตัณหามันกวนเราอยู่ข้างในใจของเรามันกวนตัวมันเองมันไม่มีอะไร เราพูดถึงตันหาราคาในหัวใจของเราเราฟังดูแล้วเหมือนกับมันมีตัวมีตนไม่ใช่แท้ที่จริงก็คือพฤติกรรมที่จิตของเราไม่เคยชะไม่เคยล้างไม่เคยขัดไม่เคยเกลานั่นแหละมันยังไม่ชำนิชำนาญมันยังไม่เชื่อมยังไม่ชั่มชอแล้วเคยปล่อยเนื้อปล่อยตัวมาจนเป็นจริตเป็นนิ ส, สัยเช่นอย่างบางคนเป็นผู้มีนิ ส, สัยโทสะจริตเนี่ยโมหจริต ราคะจริตเนี่ยโทสะจริตโมหจริตเนี่ยตามที่เรายึดตามที่เราทําตามใจชอบบางคนก็หนักไปเกี่ยวกับเรื่องราคะกลายเป็นราคะจริตเนี่ยประพฤติตามความความอยากตามราคะตามตัณหารักสวยรักงามรักรักชอบสิ่งที่ดีก็ยึดเข้ามาสิ่งที่มันดีก็ผลักออกไปราคะจริตสิ่งเหล่านี้มันถึงใจทันทีพอถึงใจแล้วมันกวนใจ บางคนก็ตามใจตัวเองจนเป็นโทสะจริตในขณะที่นึกคิดเกี่ยวกับราคานั่นแหละมีอะไรมาขัดมาคล้องมาขาดโทส ะ, ะบันดาลโทสะบันดาล น, นู้นนี่ชุนเฉียวเกรี้ยวกลาดอะไรขึ้นมา เ, นเกี่ยวกับเรื่องจริตนิสยัยของเราโมหะก็คือการขาดปัญญาพิจารณาใคร่ครวญไตรตรองสิ่งที่มัเกี่ยวข้องกับหัวใจของเราจะเป็นรูปเป็นเสียงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรตัวอะไรก็ตามขาดสติขาดปัญญามาพิจารณามาใคร่มาครวญ ถือตามจนเป็นจริตจนเป็นนิสัยจริตนิสัยของเราของท่านมันถือมาอย่างนี้มีอยู่ยนี้เป็นอยู่อย่างนี้มันไม่ใช่มันเกิดขึ้นเองมันเกิดขึ้นเพราะเรายึดเอาเราถือเอาแล้วก็เราตั้งใจที่จะเดินอย่างงั้นเดินตามมาอย่างนั้นทํามาตั้งแต่กี่กลับกี่กันขี่ปุโรหิตชาติมาแล้วเราไม่เคยคานึงคํานวณเลยเพราะว่าอัตภาพของเราไม่ใช่เราเพิ่งมีอัตภาพเดียวนับเป็นกลับกั นับเป็นอสองไข์กับดูซิชีวิตแต่ละชีวิตเกิดมานับเป็นกับกับเราไปไล่ดูตามที่พระพุทธเจ้าท่านสร้างปรารภีที่ส อ, สอสงไข่แสนมหากลับชีวิตจิตใจของพวกเราเขาเช่นเดียวกันไม่ใช่เราเพิ่งเพิ่งเคยเกิดเพิ่งเคยมีในอัตภาพนี้ไม่ใช่เราเกิดมากี่กับกี่การแล้วความระยะยาวนานมากน้อยเท่าไหร่ตั้งต้นตั้งแต่เมื่อไหร่และจะไปสิ้นสุดตั้งแต่เมื่อไหร่ ตั้งต้นตั้งแต่เมื่อไรแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ชี้ชัดไปว่าเราอุบัติมาตั้งแต่เมื่อไร่ผู้รู้ของเราจิตของเราอุบัติมาตั้งแต่เมื่อไหร่เราทราบไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ได้ชี้ชัดไปว่าคนนั้นเกิดประมาณเท่า น, นั้นคนนี้เกิดมาประมาณเท่านี้พระองค์ทรงชี้ไปที่อวิชชาอาวิชชาแน่การที่พระองค์ทรงชี้ไปน่ะเลยเป็นแรงกระตุ้นให้เราได้คลี่คลาย คลี่คลายไปที่ใครมาคลี่คลายมาที่หน้างานทำให้เราเข้าใจเรื่องอวิชชาโอ้อวิชชาคือความไม่รู้ความไม่รู้ความไม่ทันไม่ทันกลไม่ทันอุบายไม่ทันกิริยาที่เร็วๆที่หยาบๆที่มันปะทุ ข, ขึ้นในหัวใจของเราเราไม่ทันมันพอเราไม่ทันมันอวิชชาคือความไม่รู้แล้วนี่มันก็ครอบครอบมาอย่างหนึง่ง เป็นเหตุให้เกิดราคะครอบมาอย่างหนึ่งเป็นเหตุให้เกิดโทสะอิจฉาธิสยาตันหาราคะตามมาไม่รู้จกจบเนี่ยมันแสดงออกมามีฤทธิ์มีเด่นนี่คืออำนาจของมันเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเข้าใจหากมันสะสมมาในตัวของมันเพราะฉะนั้นการที่เรามาฝึกฝนอบรมเนี่ยมันเป็นการมาทำความชักความล้างกิริยาอาการอาของใจของเราเนี่ยแหละ เพื่อจะให้ใจธรรมดีขึ้นกายก็ให้กายมีศีลมีธรรมไม่ฆ่าทัพย์ไม่ลักทรัพย์ไม่พระพฤติผิดในการมอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆนะคําว่ากายกรรมกายกรรมเราอากายของเราไปทําอะไรไปก็ตามถ้าเรียกว่ากายกรรมเท่านั้นกายจะลุกจะเดินจะนั่งจะนอนจะทํานู้นจะหยิบนี้จะอะไรจะอะไรเป็นกายกรรมทั้งนั้นแต่ที่ไม่เกิดไม่เกิดโทษท่า น, นไม่ได้เอามาฟางไว้สำหรับให้เราเป็นข้อปฏิบัติสำหรับเราอ่ ท่านมาตั้เป็นหลักใหญ่ๆไม่ให้ฆ่าสัตว์เนี่ยคิดมาที่ชีวิตเขาชีวิตเราไม่ให้หลักทรัพย์คิดมาที่สมบัติของเขาสมบัติของเราคิดมาที่พระพืชผิดในกรรมสามีภรรยาของเขาของเราเอาใจเขาไปใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเรามาพระพติผิดด้วยกายด้วยวาจายอย่างนี้เป็นโทษคำพูดคำจายอย่างอื่นที่ไม่ผิดไปจากหลักของศีล ก็ถือว่าเป็นวัจีกรรมเหมือนกันอ่าแต่มันก็ไม่มีโทษมันไม่เป็นโทษร้ายแรงว่าแต่กระดุ ก, กระดิกพลิกแผลงมาที่กายมันเป็นเรื่องของการกรรมกระดุกระดิกพริกแพลงมาที่เรื่องวาจาคำพูดมันเป็นเรื่องของวัจีกรรมม า, รร ม, มาจากไหนมาจากมโนกรรมคือใจใจกิเลสตัณหามันพา ด, ดิดพาดินอยู่ในหัวใจนึกนึกเรื่องรักเรื่องชังเนี่ยนึกไปนึกมานึกมานึกมันทลักออกมาที่กาย นึกไปนึกมานึกมานึกไปทลักมาที่วาจาเอากายมาสนองกรรมเป็นกายกรรมเอาวาจามาสนองกรรมเป็นวจีกรรมนะสร้างไปแล้วมีผลเพิ่มพอเราทะลักออกไปแล้วลุน้นำหนาจออกไปแล้วมีผลเพิ่มคนเคยมีความชั่วทางกายกรรมมาแล้วเคยมีความชั่วทางวาจีกรรมมาแล้วยิ่งทะลักเข้ามาเพิ่มพูนอีกมันก็ยิ่งเพิ่มเข้าไปอีกแต่พูดถึงว่าโทษก็เป็นโทษหนักเข้าไปอีก แต่ถ้าเป็นพูดถึงสิ่งที่เป็นคุณก็เป็นคุณเพิ่มเข้าไปอีกนี่กายกรรมวิจิกรรมของเราอ่ามันบง่งบอกไปที่ใจของเราใจของเราเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้ไม่เข้าใจภูริยาท่านทชี้ไปที่อวิชชาดังที่กล่าวนั้นแหะอ่าเลยกลายเป็นว่าอาวิชชาตัวนี้เวลาเอามาใส่น้า ง, งานเหมือนอย่างที่ที่เรากําลังนั่งภาวนาอยู่นี้เราถือว่าเป็นหน้า ง, งาน เราพยายามตั้งสติกำหนดจดจ่อมาที่ใจของเราแล้วเราก็บริการมพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมในขณะที่เราเผลอปับ๊บแหมอวิชชามาครอบพอเราเผ ล, ลอพับอวิชชามาครอบคำว่าเผลอก็คือเผ ล, อ, อ, เลอสตินั่นแหละเผลอสติอวิชาาชามาครอบอวิชชาก็คือความไม่รู้พอเราไม่รู้ปับ๊บมันก็ยึดแล้วยึดสิ่งที่เป็นรูป ยึดสิ่งที่เป็นอารมณ์นั่นแหละอารมณ์ที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสอารมณ์ที่เป็นธรรมอารมในหัวใจของเรามันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ยึดมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ยึดนี่จะเรียกว่าอวิชชาวิช า, า, ามันครอบงําในขณะที่มันมาครอบงำนะพุทโธเราหายไปไหนนี่รู้พุทโธหายไปแล้วอารมณ์ที่เป็นธรรมที่เรากำมากํากับที่ใจมันหายไปแล้วนี่คืออวิชชาความไม่รู้เราเอามาใส่ที่หน้างานที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยเราจะรู้ว่าเรามีความสามารถไหม เราสามารถดึงจิตของเราอยู่กับคาว่าพุโทโธพุธโทโธทุกระยะทุกเวลาไหมเรามีความสามารถเราสามารถทำให้จิตของเราอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมรูตลอดอยู่กับวิตกวิจารพุโทโธพุธโทโธพุธโทพธโธวิตกคือความตรึกความตรึกความนึกความคิดท่ท่านเรียกว่าวิตกวิตกวิตกด้วยนะประคองไปด้วยทาเรียกวิจารวิตกวิจาร กิริยาที่ท่านทําให้ใจสงบท่านให้เอาอารมณ์รำมากํากับอย่างนี้แหละนะแล้วพูดมาถึงตรงนี้เราเข้าถึงก้นบึง้งของหัวใจของเราไปถึงต้นต่อไปถึงสาเหตุไปถึงรากถึงเงาเป็นเหตุที่ทําให้เกิดกิริยธรรมกิริยธรรมที่จะพึงแสดงออกมาที่กายกรรมไรรม่จีกัมนะลึกไปถึงมโนกรรมข้างในใจของเราเอาสติเอามากํากับจดจอ่อให้อยู่กับอารมณ์ที่เป็นบทธรรมจิตสงบ สงบอยู่กับอารมณ์ที่เป็นบทธรรมถึงแม้ว่าจะไม่ทิ้งคําบริกรรมก็ถือว่าสงบในสงบนั้นยังมีความสุขมีความเยือกเย็ยนมันไม่สงบมันเดือดมันดานนะความยากของใจของเราเองแหละมันพายใจของเราดิ้นรนไม่สงบความยากในใจของเรามันเป็นพลังอย่างหนึ่งมันเป็นพลังของเหตุของต้นต่อที่เรียกว่าสมุทรไทยสมุทรไทย คือตัณหาการตัณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหาดูไปที่ใจของเราดูไปแล้วเหมือนมันมีตัวมีตนไม่ใช่มันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันหากเป็นกิริยาความดื้อด้านของใจของเราเองที่เรามาฝึกนี่เรามาฝึกให้มันเป็นจริให้มันเป็นนิสัยจากที่มันเคยดื้อด้านด้วยอํานาจของตัณหาราคะในหัวใจของเราที่มันรุนแรงเพื่อให้มันทัน อย่าลืมว่าสติของเราเวลาตื่นโรูอยู่นี่มันทันหมดนะเวลาสติของเราตื่นโรูอยู่มันทันหมดอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอย่างอื่นดับหมดอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธก็อยู่ในหัวใจของเราอารมณ์อย่างอื่นดับหมดอารมณ์ราคะตัณหานี้ดับไปหมดอารมณ์ความโกรธความเกลียดความอิจฉาทิ่เสยพยาบาททั้งหลายทั้งปวงดับไปหมดนี่แค่อารมณ์ของความสงบ มีคุณมีอนุภาพถึงขั้นนี้ถึงระดับนี้นำความสุขนำความแช่มชื่นนำความเบิก บ, บานนำพื้นฐานจิต น, นิสัยของจิตของใจของเรากลับเป็นพื้นฐานที่ดีเป็นจิตจิตใจนิสัยของจิตของเราในทางที่ดีมีแค่เราต้องการให้เขาได้รับความสงขนอกจากนั้นในความสงบนั้นมีคุณสมบัติมีริทมีเดทมีอภินญญา ที่สำคัญที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือความสุขความเอิบอิ่มในหัวใจสิ่งแล้วนี้แหละคือบุญบุญแปลว่าความดีความดีแปลว่าบุญเราอย่าไปมองเห็นบุญเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นนู่นเป็นนี่นะเป็นวิมานลอยอยู่ที่นู่นที่นี่ดูมาที่กายของเรากายดีคือกายมีบุญวาจาดีคือวาจามีบุญใจดีคือใจมีบุญ บุญแปลว่าความดีบุญยะบุญญังภาษาบาลีภาษาไทยแปลว่าความดีนะบุญนี่คือแปลว่าความดีเป็นชื่อของความสุขบุญบุญเนี่เป็นเหตุนํามาซึ่งความสุขบุญเป็นชื่อของความดีความดีอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายกายกรรมกายกรรมดีวาจาวจีกรรมวจีกรรมดีใจคือมโนกรรมมโนกรรมดีใจคือมโนกรรมมโนกรรมหรือคือใจสงบใจไม่ถูกตัณหามันดิ้น มันส อ, สอดแทรกเข้าไปทําให้จิตใจตรงนี้ดิ้นไปตามความอยากของตัณหาแท้ที่จริงก็คือพลังของมันเองอะพลังของใจที่ไม่เคยดักไม่เคยแปลงไม่เคยฝึกฝนอบรมเนี่ยอนานาจของการภาวนาท่านสามารถมาทําให้จิตใจของเราเชื่องชินอยู่กับอารมณ์ที่เป็นธรรมทําจนชั่วไม่ชา น, นานทําจนคล่องเขาอยู่กับอารมณ์ที่เป็นบทธรรมถึงจะทิ้งวิตกวิจารไม่ไม่บริกรรมคําว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธ จิตไม่ไปไหนอ่จิตไม่ไปไหนล้วเพราะมันฝึกหัดดัดแปลงเข้าไปแล้วมันเริ่มเชื่องเริ่มชินเริ่มเป็นจริตเริ่มเป็นนิสัยเราดูประหนึ่งเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มีตัวมีตนอยู่ในใจของเราแท้ที่จริงก็คือใจของเราไอ้ส่วนที่ไม่ดีของใจของเรานั่นแหละมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงมันแสดงออกมาให้ปรากฏคือความอยากพลังอย่างหนึ่งของใจของเราคือพลังของความอยาก พลังของความอยากนี่คือถ้าเรียกอีกอย่างนึงก็คือพลังของตัณหาพลังของตัณหาคือพลังของความอยากพลังของความตัณหาเราอาศัยความอยากนี่แหละอาศัยของความอยากนี่แหละมาสร้างมัดอาศัยของสติปัญญานี่แหละมารู้อํานาจของความอยากที่เปลี่ยนไปตามอำนาจของสมุทัยอยากอย่างหนึ่งไปตามอำนาจของสมุทัยคือตัณหา ยากอีกอย่างหนึ่งเป็นพระธรรมนักของมัจอาศัยกิริยาของจิตที่มีความอยากที่มามีความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงในตัวเองนี่แหละเอามาทํางาน น, าางาน่เอามาทํางานเอามาทํางานคือเอามาทํางานตามที่พระพุทธเจ้าท่าวางเอาไว้มาเจริญสินมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญาอันนี้เป็นแนวปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติที่ที่ที่ท่นพูดอริยมัจมีองค์แอริยมัจมีองค์แคือทางดําเนินคือทางดําเนิน ทางดําเนินนี้เรารู้กันเราเรียนกันเรารู้กันเรารู้แปดข้อสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวายาสัมมากรรมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิเรารู้เหมือนกับง่ายๆอยู่ในกํามือของเราเมื่อเราจะทำแล้วก็โดให้ได้มาใส่หัวใจหัวใจของเราภายในชั่วพริบตาเดียวเรารู้ข้อปฏิบัติแล้วเราก็เดินไปเอาแนวปฏิบัตินี้มากํากับที่กายของเรา มาํากับที่วายจาของเรามากากับที่ใจของเรามาคกำกับที่วายจาของเราก็คือส่วนของศีลมากากับที่กายของเราก็คือส่วนของศีลศีลหก็ตามศีล8ดก็ตามเหมือนอย่างพวกเรามานี้เราพวกเราก็มา ส, สมาทานศีลแปเรามาสมาทานศีนแลแปดเราดูที่พอเราสมาทานปับ๊บเราจะต้องตั้งใจวิรัตตั้งใจงดตั้งใจเวีนไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์อยู่อย่างพรมไม่ประพฤติ ไปจากกิริยาของพรหมอภร majarya เนี่ยสินแปดนะสินข้อสเนี่ยสามีภรรยาก็เกี่ยวข้องกันมาได้นะถ้าเราสมาทานสินแปดละเอียดนะมันละเอียดมากไปเกี่ยวข้องกันปั๊บสินก็ขาดนะเวลาไปเกี่ยวข้องความอยาบคายลามกมันก็เพิ่มขึ้นมาอีกพอเราสงบระงับได้กิริยาส่วนนี้ก็ละเอียดเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นองค์ศีนก็เป็นองคช่วยกลั่นช่วยกรองช่วยขัดช่วยกล่าวของเรา ให้กายกรรมไว้จีกรรมมโนกรรมคืยใจของเราละเอียดขึ้นโดยลําดับอยู่อย่างพร้อมอยู่อย่างคนเดียวโดดเดียวแล้วก็อยู่อย่างมีสัจจะไม่พูดเท็จไม่พูดหยาบไม่พูดซอเสียบไม่พูดเพอรเจอพูดจาหนีมนวลอ่อนหวานไพเราะหนีมนวลศิบก็่าสี่สิบก็่ห้าไม่กินน้ำน้ำดองของเหมาเนี่ย สินว่าหมารับทานอาหารในยามวิกาลตั้งแต่ตั้งแต่บ่ายไปแล้วจนถึงอารุณ์ขึ้นวันใหม่จนกว่าจะได้อารุณ์ขึ้นของวันใหม่ท่านถือว่าเป็นยามวิเป็นยามเป็นการแต่ถ้ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นท่านเรียกว่ายามวิกาลวิกาลไม่ใช่การคําว่าวิกาลวิกาลในที่นี้เราแปล ว, ว่าไม่ใช่การที่เราจะบริโภคอาหารอันนี้เราพูดถึงศินแปดนะสินสิบสินสองี่สิบเหมือนกันอ มันเรีย น, นะศีลเนี่ยสมาทานปาั๊บเราจะต้องถือตามพรพุทธตามปฏิบัติตา ม, ตามอันนี้คือแนวดําเนินคือทางดําเนินศีล ส, สมาธิปัญญ า, านะศีลก็หกไม่รับทานอาหารในย่ามวิการแท้ที่จริงเรารับทานอาหารได้แค่เ ช, ช้าชวงเที่ยงเ ช, ช้าช่วงเที่ยงเนี่ยเราจะเอามื้อเดียวหรือจะเอาสองมือ้อแต่ถ้าจะให้เป็นกรรมฐานแบบวัดป่าเราอะถือว่ามื้อเดียว รับทานมือเดียวเอาตั้งแต่ตอนเช้าตั้งแต่ตอนสายๆตั้งแต่ตอนกลางๆหรือตอนสามโมงสีมก็ตามแต่แต่เอามือดีเอามื้อเดียวรับฐานมือเดียวอพอถึงตอนบ่ายปับ๊บเป็นอย่างวิกาลแล้วเลยเที่ยงไปแล้วนะถือว่าเป็นอย่างวิกาลสิ่งที่เป็นอาหารเข้าปากไม่ได้แต่เราก็มีปานะมีน้ำโกโกกาแฟน้ําตาลถือว่าเอาไปหยอได้ทาให้เรามีเรียวมีแรงได้ การที่เรารับทานอาหารจํากัดเวลาอย่างนี้ทําให้เราเบาสบายไม่อึดอัดไม่ปลดโปร่งไม่เสียเวลาเวลาไม่ต้องห่วงกังวลจะต้องวนเวียนเข้าออกเข้าออกเข้าออกออ ก, กับสิ่งเหล่านั้นเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอะไรอะไรทําให้เรามีเวลาเวลาเป็นของตัวเองมาฝึกฝนอบรมให้มากขึ้นะจะตั้งใจเดินจะตั้งใจนั่งร่างกายของเราก็เบาสบายปลอดโป ร, ร่งรารคิดอย่างอื่นมันก็ยุ่งน้อยลงตรงนั้นเถอะ เพราะเรางดอาหารแค่เรางดงดอาหารเท่านั้นแหละอย่างอื่นมันก็โอ้หยุดความวุ่นวายยุงย่งยากไปไปมากมายเยอะแยะจากนั้นแล้วก็นัจคีมาลาอเงี้ยก็ยเจนัจคีมาลาไม่ฟังร้องรําทําเพลงขับประโคบดนตรีแล้วก็ไม่ร้องรําทําเพลงเองด้วยไม่เข้าไปดูเขาร้องรําทําเพลงด้วยไม่ประดาประดาตกแต่งมาลานัจคีกับมาลาสองข้อนะ ถ้าเป็นสัมเณรน่าจะขีดข้อหนึ่งมาลาข้อหนึ่งมาลาก็คือประดับประดาตกแต่งร่างกายตกแต่งด้วยด้วยเสื้อผ้าผ่อนตกแต่งด้วยเครื่องประดับตกแต่งด้วยแต้มสีแต้มสันตกแต่งด้วยนุ่นด้วยนี่ด้วยอะไรต่างๆที่เรียกว่าตกแต่งตกแต่งด้วยมาลาหรือตกแต่งด้วยเครื่องประดับประดาตกแต่งอย่างอื่นที่ทต้องถือว่าเป็นมาเรื่องเป็นเรื่องของมาลาไม่ประดับประดาไม่ตกแต่ง ไม่ร้องรำทําเพลงเพราะกริยาทั้งหมดนี่เป็นกริยาที่ทําให้เราหลงมีความรุ่มหลงยิ่งแต่งไปดูไปแล้วกะสวยเหลือเกินงามเหลือเกินจะพิจารณาให้เป็นข้อเป็นข้อเท็จจริงพิจารณาไม่ได้พยายามจะยังจิดให้ให้เข้าถึงหลักธรรมชาติยังถึงไม่ไดอ้อดที่จะชมตัวเองไม่ได้โอ้สวยเหลือเกินสวยเหลือเกินสวยเหลือเกิน นั่งจะขีร้องเพลงไปร้องเหลือเกินไปร้องเหลือเกินกล่อมกลาหัวใจนะั่นทำให้ใจะติดเคลิ้มอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเป็นกิริยาที่ทําให้เราลุ่มหลงไม่นั่งไม่นอนในที่นั่งที่นอนสูงใหญ่ภายในยัดด้วยนุ่นและสลําฤีเป็นเหตุให้ทำให้เราเคลิ้มไปหลับไปตามอํานาจของตันหาราคะความอยากที่นั่งที่นอนสูงใหญ่นั่นน่ะมันเป็นที่นั่งที่นอนที่เราไปเกี่ยวข้องปับ๊บ เป็นเหตุให้กามกำเริบเนีมันกำเริบมัวใจของเราทําให้เร า, เาลืมเนื้อลืมตัวทําให้เราประมาททาให้เรานิ่งนอนใจมัวเคลิอมมัวหลับกับการหลับกับการนอนี่ศินศินทั้ง8ข้อนี่เป็นข้อปฏิบัติขั้นไหนระดับไหนละรูด้ดิถือได้ปฏิบัติได้มีผลเนือเมียในสองยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นท่านถือว่าทานทุกอย่างที่เราทานมานะี่ สู้เรารักษาศินไม่ได้พูดถึงอเ น, นสงเพราะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เนะี่ยมันมีผลเมียอเ น, นสงมาขัดกล่าวที่หัวใจของเราทานก็แค่เราเสียสละไปเราเสียสละไปแต่การเสียสลากนี่ก็ต้องต่อสู้อิ่ม ก, กันต่อสู้กับอํานาจของความอยากตัณหาในหัวใจของเราเห็นแก่ตัวให้เขาให้เขาไปแล้วเราจะได้อะไรอให้ไปแล้วให้แต่คนนู้นออคนนี้ไม่ให้คนนั้นไม่อยากให้ให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อยากให้ ให้ไปแล้วก็หมดน้ามันหยดเดียวงาปลายช้อนเดียวอะไรเมือเ่อเศรษฐีที่มีความเจริโกศิยะเศรษฐีเศรษฐีเจริญ น, นะนะน้ำมันหยดเดียวก็ไม่ไม่อยากให้ใครแหละถัวงายหยอดสองหยอดปลายช้อนก็ไม่อยากให้ใครรบบมีความเจริญถือว่าให้ไปแล้วก็หมดไปให้ไปแล้วก็หมดไปนะ เ, เคยได้ยินเขาเล่าไหมว่า อยู <unlucky S 2> ่ๆมาเนี่ยหิวขนมเบื้องหิวขนมเบื้องนี่ไม่กล้าบอกเนี่ยหิวอยู่เงินจนพร้อมเอโพอเหลือเลยเนาะเศรษฐีแล้วนะอ๋ทีนี้เมียเห็นสังเกตเห็นแปลกเอ๊ะทำไมท่านไม่สบายอะไรทําไมไม่ทำไปทํามาเราสาวหิวขนมเบื้องอุ้ยทำไมไม่รู้อยากบอกทรัพย์สมบัติของเราไม่อดแท้ทําแจกคนหมดทั้งนิคมนี่ก็ได้แจกหมดทั้งครอบครัวแจกหมดทั้งบ้านแจกหมดทั้งนีคมนี่ก็ได้ โอยจะพูดแรงจะพูดแรงด <c oughs> กลัวเขาจะมาแย่งนี่คือคนตรนี่คนตระหนี่เนี่ต้องต่อสู้นะต้องต่อสู้กับความตระนีเสียดายอะ่ะนี่ไม่เห็นผลไม่เห็นผลในการให้คนที่มองไม่เห็นผลในการให้ให้ไม่ได้คนที่เห็นผลในการให้ให้มากน้อยเท่าไหร่ไม่มีความเสียเสียสติเสียดายยิ่งให้ของดีของดีของเลิศของประเสริฐโอ้ปลื้มปีติยินดีดด เพราสิ่งเหล่านั้นเราให้ไปแล้วมันก็ยังเป็นสมบัติของเราอยู่เป็นสมบัติคือบุญที่ใจของเรามันไม่ไปไหนไมันอยู่ที่ใจของเราเป็นบุญฝังอยู่ที่ใจของเราไม่ต้องดูแลไม่ต้องรักษากลายเป็นสมบัติสําเร็จรูปอยู่ในหัวใจของเรานี่คือผล น, นนี้สององค์ฐานถ้ารพูดถึงโกศิยะเสถีนะฮหิวกินขนมเบื้องนั่นแหละในสุดเมียถามไปทา ม, มาโอ้ยเสถียีหิวขนมเบื้องว่าจะพาทอดเท่านั้นเ ท, ท่านี้ไม่เอาคนอื่นจะไม่แย่ง ในสุจะไปทอดไปเราไปสองคนเอาไปทอดกินสองคนอยู่บนประสาทอ่ะหรือเธอไม่หิวไม่ต้องกินอ่ะเราหิวเรากินจะกินคนเดียวนาะถ้าทําอยู่แถวนี้ไม่ได้เดี๋ยวบริษัทรบริวารเห็นคนนั้นจะไม่คนนั้นก็จะหิวด้วยคนนี้ก็จะหิวด้วยจะต้องสิ้นเปลือให้เขาอีกนู่นไปทอดอยู่บนประสาชั้นเจ็ดอยู่ในเรดาร์พระเจ้าหมดอเออเศรษฐีกำลงังจนีเลงดูแล้วเศรษฐีมี10 มีสิทธ์ที่จะได้บรรลุธรรมจะได้รู้ธรรมจะได้เห็นธรรมให้พระโมคคลณะไปทรมานน่นแหละไปทอดอยู่ข้างบนนู้นนะฮะหน้าต่างก็ว่ามีอะไรมีแต่อาการนะฮะทอดไปทอดมาเอา้าพระโมคคลณะไปโผล่เอ๊ะทำไมยังมีสมมนาอยู่แถวนี้ท่านทํายังไงท่านก็ไม่ได้ขนมอ่าท่านจะเดินไปเดินมาในอากาศเท่าไหร่ท่านก็ไม่ได้ขนมท่านจะเป่าควันจะปังเหียนควันอะไรเท่าไหร่ก็ไม่ได้ขนมไม่กล้าถาม ไ ม, ไม่กล้าถามให้บางเหียนบางเหียนไฟอ่ะให้เป่าไฟให้กลัวไฟจะไหม <c oughs> ในสืโอโ้ยอดทนทนไม่ไหวเอาแป้งให้ท่านสักหน่อยหนึ่งเถ อ, อะหยิบหยิบแป้งนิดหน่อยใส่ลงไปกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาทันทีเลยขนมนั่นอ่ะโอ้ยเอาแป้งใหญ่เกินไปเอาแป้งนิ ด, นดหน่อยหน่อยพออะไรมากมายแต่ทอดให้ท่านนิดหน่อยท่านเองหยิบแป้งนิดหน่อยทอดลงไปกลายเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาจะให้ก็ให้ไม่ได้ได้สิ ในสุดว่าเอ้ยตักเองตักนิดๆใส่ไปเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาด้วยอานุภาพในสุดเอ้ยเอาให้ท่านสักหน่อยหนึ่งดึงกันไปดึงกันมาดึงที่จะให้ท่านในสุดโอ้ยเหนื่อยหยุดหิวหายหิวเลยหายหิวนะหายหายิวนี่พระมคคันะก็เลยบอกว่าพระพุทธเจ้าพร้อมะทั้งพระสงฆ์รอบริโภคขนมของท่านอยู่นูน่นที่นูน่นอยู่ที่นี่อยู่ยากที่นี่ไปตั้งหลายสิบโยชน ท่านรออยู่เฮ้ยแล้วจะไปได้ยังไงจะอาไปให้ท่านฉันได้ยังไงท่านไปด้วยฤทธิ์ท่านไปด้วยกับเราท่านไปกับเราไปกับเราเหมือนกับลงจากปราสาทชั้นเจ็ดไปถึงบันไดชั้นล่างนั่นเวลามาก็เหมือนขึ้นจากบันไดชั้นล่างมาถึงปราสาทชั้นเจ็ดแค่ น, นั้นเองเพราะฉะนั้นเพียงแต่นึกเท่านั้นแหละหลก็หายตัววับจากนั้ น, นไปถึงพุทะเจ้าที่เขตตะวันนั่นนั่นโน่นเราขนมเบื้องไปแจกแจกพระหมดหมดทั้งวัดเลยยังชั้นยังฉันไม่หมดอีกอ่ ขนมเบื้องนิดหน่อยนั่น น, ะนี่คืออานิสงส์อานิสงส์ของโกยศยะเสฐีในที่สุดได้ทาบุญได้ให้ทานในเรื่องใส้ศรัทธาได้อาดได้ทำนี่เราพูดถึงฐานคนที่ไม่ไม่เห็นผลไม่เห็นอานิสงส์ไม่กล้าเสียสละดอกแต่ถ้าคนเห็นผลเห็นอานิสงส์รุดจากมือเราไปอยู่ที่มือเขาเป็นของสมมติเป็นของบริโภคเข้าปากเนี้ยลุดจากมือเราไปเข้าปากเขาไปอยู่ในท้องเขาเห็นอานิสงส์จากการเข้าปากเข้าท้องเขา มากกว่าที่อยู่ในมือของเราท่านเห็นผลตรงนี้ท่านถามได้แต่เรามองไม่เห็นเห็นว่าห ล, หลุดจากเราไปแล้วไปเป็นของเขาไม่ได้คิดว่าผลคือวิบากกรรมมันตกข้าอยู่ในหัวใจของเรานี่คือทานเพราะฉะนั้นทั้งนั้นไม่รู้ไม่เข้าใจต้องต่อสู้ต่อสู้เหมือนโกศยะโกศิยะเศรษฐีต่อสู้นั่นแหละต่อสู้กับความเจ้าหนีของตัวเองกว่าจะได้เห็นไหมทุกคนต้องต่อสู้กันอย่างนี้ทั้งนั้นแหละต้องสกต้องต่อสู้กับความเจ้าหนี ขั้นทานก็นยังให้ยังก็ยังได้ยังได้ต้องต่อสู้ต่อสู้กับความทะนีอะไรคือความทะนีก็ตั้นหาในหัวใจของเราเนี่ยมันทําให้เราเห็นแก่ตัวเมื่อเห็นแก่ตัวแล้วมันก็ต้องเพื่อตัวเรื่องอะไรใช่คนอื่นคนอื่นก็คือเพื่อคนอื่นเพื่อตัวคือเป็นของตัวแล้วก็มาสนับเพื่อตัวทําอะไรก็ได้ตามใจชอบชอบตามใจฉันนี่คือความเห็นแก่ตัวมันเป็นอย่างนี้แต่วิสัยของพุท ธ, ธะวิสัยของสัมมาสัมพุท ธ, ธะวิสัยของพระโพธิสัตว์ เห็นการแผ่เผื่อแผ่ออกไปมากกว่าเอามาใช้สอยเป็นเรื่องของส่วนตัวนี่คือคือเรื่องของทานเรื่องของทานเราพูดทุกทานมันยากถึงขนาดนี้นะยังสู้ตั้งใจรักษาศินไม่ได้นี่เราพูดถึงอันนี้สงการตั้งใจรักษาศินดูไปแล้วรักษาศินเหมือนไม่มีอะไรเหมือนไม่เป็นไรแต่ศิลแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าท่านไม่ตั้งใจวิรัตไม่ตั้งใจงดไม่ตั้งใจเว้นจะไม่เป็นองค์ศิลขึ้นมาเลย สมควรที่จะไม่ฆ่าสัตว์แต่เราอดไม่ได้สมควรที่จะไม่ลักทรัพย์มือสั้นมือยาอดไม่ได้สมควรที่จะไม่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียใครสงบไม่ได้ระงับไม่ได้ลุกอำนาจให้กัมมันตสู้ันไม่ได้ต้องต่อสู้ไม่รับทานอาหารนยาวิการไม่พูดเท็จไม่ดึงสุราเมรัยรับทานอาหารนยาวิการไม่ร้องราทาเพลง เพลินไปกับความสุขเพลินในหัวใจของเราไม่ร้องรําทําเพลงไม่ประโคมไม่เข้าไปดูประโคมร้องรําทําเพลงแล้วก็ไม่ตกแต่งนัตชีแลือก็มาลามาลาคือตกแต่งไม่นั่งที่นอนที่นั่งที่นอนสูงใหญ่เป็นนายัดอใ่นุ่นและสำลีศีลเหล่านี้โดยเฉพาะศีล8ปั้งถือว่าเป็นศีลพรหมจรรย์พรหมจรรย์ประพฤติอย่างพรหมเขาว่าพรหมจรรย์แปลว่าประพฤติอย่างพรหมประพฤติเยีย่ยงพรหม พร้อมเป็นคนคนเดียวโดดเดียวพร้อมเขาไม่ใช่เป็นเทวดาชั้นต่ำเป็นเทวดาชั้นสูงการถืออย่างนี้ได้มันก็เป็นการสงบระงับดับปลายเหตุของตัณหาในหัวใจของเราได้ในหัวตัณหามันสแสดงมาที่กายเรามีสินกำกับแสดงมาที่วิจามีสินกำกับมันก็โดดดิ้นที่ใจท่านจะให้ภาวนะาภาวนะาให้จิตของเรามารับอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทุ อารมณ์ที่เป็นธรรมคิดมากเท่าไรไม่เป็นโทษมีแต่คุณอย่างเดียวแต่ถ้าหาเราไม่คิดพุดโทโธพุโทโธนี่อารมณ์ที่เป็นกามันกำเริบเดี๋ยวรูปนั้นโผล่ขึ้นมาเดี๋ยวเสียงนี้โผล่ขึ้นมาเดี๋ยวราคะตัณหาเหล่านั้นโผล่ขึ้นมาจิตของเราวิ่งว่อนอยู่กับสิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักจบไม่รู้จกสิ้นนี่คืออารมณ์ที่ตัณหามันกวนใจของเราใ น, ในภายในใจของเราว้าวุ่นอยู่แต่กับเรื่องเหล่านี้แหละสงบไม่ได้ ในเมื่อสงบไม่ได้ใจของเราหาความสุขไม่ได้หาความสงบไม่ได้จึงหาความสุขไม่ได้หาความสุขไม่ได้เพราะใจสงบไม่ได้จิตของเราเองดิ้นรนด้วยอำนาจของตัณหาในตัวเองคําว่าดิ้นรนก็คือพลังของมันเองมันดิ้นรนของมันเองมันนึกมันคิดมันพรุงเป็นเรื่องของสังขารมันปรุงมันดิ้นรนของมันเองนี่คือตัณหานหัวใจมันดิ้นรนออกมาเราไม่เคยรู้เราไม่เคยเข้าใจเราไม่เคยทันมัน แต่ในเมื่อเราตั้งสติตื่นโรขึ้นมาตั้นามันโผล่ขึ้นมาไม่ได้สติมากำกับที่จิตจิตของเรานึกบอกให้เขานึกอย่างเดียวนึกเรื่องธรรมะพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแล้ประคองพุทโธเป็นวิตกแล้วก็วิจารณ์วิตกคือตรึกวิจารณ์คือประคองประคองให้ซื้อพยาวยืดประคองจากพุทธไปหาโธประคองจากโธไปหาพุทธอืม ให้จิตของเราส่งออกไปอย่างอื่นเรื่องอื่นแต่ถ้าเราปล่อยปั๊บมันวิ่งไปเกี่ยวกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องราวสารภาพที่มันพันหัวใจของเราเรื่องอะไรที่มันพาสนุกในหัวใจเรามันพานึกคิไปนั่นแหละแล้วแต่จิตนิสัยของท่านจะเป็นเกี่ยวกับราคะจิตโทษจิตยิฐจิตใจหยาบขนองละเอียดลึกยังไงก็ตามแต่มันเป็นไปตามจริตนิสัยของเราต้องเอาให้มาอยู่กับอารมณ์ของธรรม จนจิตของเราได้รับความสงบจิตสงบจิตเริ่มเชื่องจิตเริ่มชิมสงบเข้าไปเรื่อยสงบเข้าไปเรื่อยอย่างที่ท่านพูดถึงชานที่หนึ่งที่2ที่3ที่4ละเอียดขึ้นไปโดยลําดับคือความสงบของใจนี่คือเกิดขึ้นจากการที่เราฝึกฝนอบรมสงบระงับดับตันหาหนหัวใจของเราด้วยเอาบทธรรมไปกํากับแทนจะเรื่อว่าในหัวใจของเราเนี่ยถ้าหาเราให้ทำตื่นรูอยู่กิเลแสแทรกไม่ได้ พอทําของเราเนี่ยเบาบางลงอ่อนลงหมดแรงลงเนี่ยเส น, นอกิเลสสวมรอยแล้วพลังสองพลังเนี่ยมันแทรกเข้ามาที่หัว ใ, ใจของเรามันจะมาด้วยกันนั่นแหละมันจะมีพลังทําด้วยมันจะมีพลังกิเลสคือพลังดีกับพลังไม่ดีที่มันหัว ใ, ใ, ใ, ใ, ใจของเราหากพลังไม่ดีนําทุกนําโทษมาให้เราหากพลังดีนําบุญนํากุศลมาให้เรานี่เขาเรียกว่าบุญพลังดีเป็นเรื่องของบุญพลังไม่ดีเป็นเรื่องของบาป เพราะฉะนั้นพลังก็คือพลังของความกระดิกพลิกแผลในใใหัวใจของเราที่จะเรียกว่าตันหาตันหาคือความอยากดูไปแล้วเหมือนกับมันอยู่ข้างในไม่มีอะไรเป็นไรแต่ถ้าเราพยายามย้อนมาที่ใจของเราเราจะเห็นเห็นความอยากในใจของเราพยายามจับให้ได้นะโดยเฉพาะาเรานั่งเภาหนายังงี้เราสามารถจับได้จับความอยากใ น, ในใใหัวใจของเราไดเา้เราจับได้หนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งโอ้ปลุกจิตของเราของตัวเอง ตื่นโรขึ้นมายังเกินคาดเกินมาทีเดียวจับความอยากได้อะไรเป็นผู้จับได้สติเป็นผู้ทันอยากขึ้นมาปับ๊บจับปับ๊บอยากขึ้นมาปับ๊บจับปับ๊บบาที่มันล่วงไปแล้วสองสามขณะคิดระลึกได้ตามปับ๊บจับปั๊บมันก็อยู่ระลึกได้ตามปับ๊บจับปั๊บก็อยู่พออารมณ์ทํามันอ่อนแรงอารมณ์กิเลสมันก็แรงขึ้นพออารมณ์ธรรมมันแข็งขึ้นอารมณ์กิเลสมันก็อ่อนลง ในสุดวิซีวิซีฝึกหัดวิธีฝึกหัดปฏิบัติท่านจึงให้ฝึกให้ในใจของเรามีแต่อารมณ์ที่เป็นธรรมอารมณ์ของกิเลสมุกย่ยอผายหมดไปจากขันธสันดานของเราอเอาใจที่มีความสงบนี่แหละไปพิจารณาที่ท่านเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาหรือปัญญาเจริญสมถะแล้วก็เจริญวิปัสนานี่แหละเป็นยอดเป็นหัวใจของการฝึกฝนอบรมอย่างแท้จริง เราฝึกฝนอบรมด้จริยธรรมอย่างอื่นเราไม่ค่อยยอนลึกไปถึงกิจกาเหล่านี้เราไม่ทราบที่ไปที่มาของมันในสุดสงบไม่ได้ระงับไม่ได้แต่หากถ้าหากเราทราบอยู่อย่างนี้เราพิจารณอมาที่จิตของเราข้างในอย่างอื่นก็ร่วงไปหมดอย่างอื่นก็ตกไปหมดโอกาสที่มันจะไปอิจฉาริษยาไปเพ่งเลงคนนั้นคนอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้คนนั้นน่ารังเกียจคนนั้นน่าเกลียดคนนั้นน่าชังคนนั้นน่ารัดคนนั้นน่าสรารเสริญ คนนั้นหน้าหน้าชั่งเหลือเกินทำหน้าชั่งเหลือเกินมันหมดละกิริยาที่มันจะไปแสดงอย่างนั้นเพราะเราไม่จ่อที่ต้นตอของมันจ่อมาที่ใจพรอมันอยาปั๊บรู้รู้รปั๊บมันก็ดับอยาปั๊บรู้ปั๊บมันก็ดับจ่ออยู่อย่างนี้น่ะจนสติเรากล้าปัญญาเราแข็งรู้ที่ไปที่มารู้ที่ไปที่มาของกายกรรมของเรา รู้ที่ไปที่มาของวัจจีกรรมของเรารู้ที่ไปที่มาของมโนกรรมของเราอย่าลืมว่าเรามีกรรมสามกรรมนะกายกรรมวัจจีกรรมมโนกรรมแค่นี้เองเราอไม่อยู่เราดีคนดีกายกรรมดีวัจจีกรรมดีมโนกรรมดีคนไม่ดีกายกรรมไม่ดีแล้วด้วยเถอะคนที่มีกายคึกขนองกายก้าวร้าว กายก่อวกวนกายเบียดเบียนกายไม่ดีไม่ดีเนี่ยนําโทษมาให้แต่จะเป็นเรื่องของดีนําสุขมาให้นําสิ่งที่เป็นคุณมาให้แท้ที่ยิงความดีกับความไม่ดีมันพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงนี้เรารู้ที่ไปที่มาเขามาันเราละมาสงบระงับดับเรารู้ด้วยตัวของตัวเราเองว่าโอ้กายกรรมของเราบริสุทธิ์หนอวหวจาวิธีกรรมของเราบริสุทธิ์หนอเรางดได้ตามองค์ของศีล น, นั้นๆ มันไม่ได้ละเอียดลึกซึ้งไปอย่างอื่นให้มันอยู่กับองค์ของศีล น, นั้นๆอู้มีผลเมียในสงยิ่งใหญ่การตั้งใจรักษาศีลนั้นมีผลเมียในสงมากกว่าการที่เราให้ทาตั้งใจให้ทานเพราะฉะนั้นทานศีลภาวนาสัมถทาภาวนาวิปัสนาภาวนาจึงให้ผลสูงขึ้นโดยลําดับให้ผลสูงขึ้นโดยลําดับก็ดูแต่ลูกน้องอนัตตบินฑิกาเศรษฐีรักษาศีลแปดไม่ถึงหนึ่งคืนด้วยซ้าไปอ่า ตายไปไปเป็นรุกกรเทวดามีอนุภาพที่ยิ่งใหญ่มากตั้งใจรักษาศีลแค่ไม่ถึงครึ่งคืนนะฮะอนาถพีสกเสียถีเวลาวันพระเนี่ยคนในบ้านของเขาทั้งหมดเขาจะพากันสมาทานศีลแปดทั้งเด็กทั้งเล็กทั้งอะไรสมาทานศีลแปดหมดทีนี้คนนั้นเป็นคนงานใหม่เข้าไปทํางานในบ้านเขาใหม่ๆตื่นเช้ามาก็ออกออกไปทํางานปกติไปทํางานแล้วจะมีคนตามเอาอาหารไปส่งวันนั้นเนี่ย เขานั่งแนกันไม่ทํางานเขาหยุดไม่ทํางานแล้วก็ไม่รับทานอาหารในยามวิการด้วยไม่มีใครเอาอาหารไปส่งเลยนายคนนี้ทําจนข้ามากลับมาหิวก็หิวมาถามเขาเขาก็เลยก็เลยทราบว่าโอ้ยบ้านนี้วันพลาดเขาถือศีลถือศีลแปดไม่รับทานอาหารอาหารในยามวิการและไม่ออกไปทํางานเพราะฉยิ่งนายคนนี้ยังไม่ได้กินข้าวเนี่ยพอรู้ว่าเขาถือศีลปั๊บเห็นว่าศีลมีผลเมียในสงอยากได้ศีลกับเขา โอ้ยังงั้นเราอยากได้สินแปดทำไงอ่ะเราจะถือสินแปดเลยได้ไหมแต่เจ้าของนี่ยังไม่ได้ทานข้าวเลยตั้งแต่เช้ามาก็เลยตั้งใจรับศินแปดกับเขาเขาก็บอกข้อหนึ่งเป็นนั้นข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าข้อหข้อเจ็ดข้อแในนั้นก็มีข้อหนึ่งรับทานอาหารในยางพิการไม่ได้นายคนนี้ยังไม่ได้รับทานอาหารนายกจดถือศินแปยังไม่ถึงครึ่งคืนแหละลมตีตายลมจุกในท้องคือนั้นน่ะตายตายปุ๊บ ไปเป็นลูกกับเทวดาปั๊บมีผลมีอนิสงส์มีอนุภาพยิ่งใหญ่มาเลืกเออนุภาพอะไรทำให้เราได้ผลได้อนิสงส์ขนาดนี้โอ้ยแค่รักษาศีลยังไม่ถึงครึ่งคืนนี่คือศีนแปเราไม่ต้องมาเทียบกับพวกเราดอก3วันสองคืนมันนับดูได้กี่ชั่วโมง3วันสองคืนนับดูสิกี่ชั่วโมงคอยตั้งตั้งอกตั้งใจแล้วก็ตั้งใจหวังพึ่ง เพิ่มความอุตสาห์พยายามเพิ่มความสามารถด้วยการตั้งอกตั้งใจรักษาศีลประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมของเราผลอันที่สงทั้งหลายทั้งปวงเป็นเรื่องของเราและก็สิ่งเหล่านี้จะอํานวยอวยใช้พอให้เราได้ประสบความสุขความเจริญเป็นพื้นเป็นบาดเป็นฐานเป็นต้นชีวิตเป็นการพัฒนาชีวิตจิตใจของเราอย่างราบรื่นดีงามด้วยอํานาจของอัดของธรรมเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละ คือผลคืออานิสงจากการที่เราตั้งใจฝึกฝนอบรมถ้าเราไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรมแล้วสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้คนเราถ้าไม่มีการฝึกฝนอบรมแล้วมันไม่มีอะไรที่จะไปปรับพฤติกรรมที่มาจากที่มาดั้งเดิมนะ่ที่มาดั้งเดิมมันไม่ดีมาแล้วถ้าเราไม่มีพฤติกรรมที่ดีๆไปปรับมีระเบียบมีขนบมีธรรมเนียมมีข้ออาจข้อธรไปปรับ พฤติกรรมเหล่านั้นก็อยู่เหมือนเดิมแล้วก็จะร้ายกาดมากไปมากกว่าเดิมโอกาสที่เราจะละเอียดจะประนีตจะมีความสุขละเอียดยิ่งขึ้นไปก็ไม่ได้หยาบลงหยาบลงหยาบลงหนักหนักเข้าพฤติกรรมมันรุนแรงแสดงจนไม่มีอะไรเหลือเท่าเดิมตายแล้วไม่เหมือนอะไรไ ม, ไม่ไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมจะเกิดเป็นมนุษย์เกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีอะไรอยู่เท่าเดิมไม่เคยตั้งใจฝึกฝนอบรมเลยนี่มันแตกต่างกันอยู่อย่างนี้ เพระฉะนั้นเป็นอุบายเป็นวิธีที่เราตั้งใจมาอดมาทนทํำไงเราสรุปได้ว่า2วันสามวันที่เราเสร็จจากนี้ไปเออเราเมีย น, นั้นเพิ่มดีขึ้นมีคุณสมบัติอันนั้นเพิ่มขึ้นมีคุณธรรมอันนี้เพิ่มขึ้นความอดความทนของเราเนี่ยมีความอดความทนมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นสติของเราฉับไวแน่นหนามันคงมีปัญญามีความเบาสบายมีความปลอดโปร่ง มีที่หวังมีที่เพิ่งมีที่อิงนี่คือผลน้นนี้สงจากการตั้งใจอบร ม, มนี่เราพูดไปถึงตอนไหนนี่ฮะตอนนี้มันบ่ายสามเลเราพูดไปถึงไหนนี่เป็นเวลาเกือบชั่วโมงแล้วจากนี้ไปถึงสี่โงจากนี้ไปถึงสี่โมง จากนี้ไปถึงสี่โมงอันนี้เราพูดไปเราฟังไปเรานั่งภาวนาไปต่อไปนี้เรานั่งภาวนาไปสักครึ่งชั่วโมงน ะ, ะที่พูดใหฟังเมื่อกี้ก็น่าจะจับได้แล้วภาวนาคือทํำยังไงพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือมีสติุมกับมีสติกำกั บ, ม, กบมันจะเป็นสมถุกตา ม, มันจะเป็นวิปัสสนากตาคอยมีสติตื่นรู้อยู่เืกับตัวนี่แหละคือยอดบุญ ปรับเปลี่ยนจริดนิสัยของเราด้วยวิธีการอย่างนี้มีสิ่งที่ตามส่งมาคือสติธรรมสัมปชัญญะธรรมสติธรรมก็ ค, คือความระลึกได้ได้ความรู้ตัวขันติธรรมความอดความทนวิริยะธรรมความภาคความเพียรประคองต้องอดทั้งทนต้องทนต้องอดอดเจ็บปวดก็อดหงุดหงิดก็อด ร้อนก็อดร้อนในวรกายก็ อ, อดต้องอดต้องทนทนให้ได้ตามที่เรากะเราเกณฑ์ทนให้จิตมันอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวต้องอาศัยความอดความทนทั้งนั้นการตั้งใจสํารวมเรามันระวังนั่นแหละมันเป็นการอดการทนมันเป็นการฝึกมันเป็นการฝืนถ้าไม่มีการฝืนจะเอาอะไรมาอดจะเอาอะไรมาทนถ้าไม่รู้จกอดจะทนเราจะได้อะไรอ่า ไม่รู้จะอดทนไม่รู้จะได้อะไรอดทนได้อดทนได้ดไดแสดงกิริยาสงบสงี่ยมมีขันติมีโสร จ, จักะสงบสงี่ยมน่ารักน่าคารุกน่ายำเกรงมีความสงบสงี่ยมไม่แสดงความกระตือรน้อนไม่แสดงความกังวลงเจงไม่แสดงความฉุนเฉียวเกรียวกราดเป็นผู้นิ่ง เป็นผู้มีเหตุมีผลอันนี้สําคัญที่สุดความสัมบูรณมนั้นระวังเป็นหัวใจของการตั้ง อ, อกตั้งใจภาวนาสําสรวมระวัดระวังที่หัวใจของเราให้ใจอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุโทโธพุทโธมันเป็นการอบรมถึงหัวใจของเราอย่างแท้จริงฮะนั่งตั้งใจภาวนาไปสักระยะหนึ่งบรรยากาศดียู บรรยากาศดีนั่งภาวนาสบายๆเสียงข้างนอกก็ไม่กวนอากาศก็เย็นพอดีพอดีสบายๆทำใจข้างในสบายแล้วกัน